รท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือเป็นวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดแสดงพระโอวาทปาฏิโมกให้แก่พระอรหันตตาหนรรูปที่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนพระอาหารหันต์ทั้ง1250รูปนี้ เป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงอุประสมบทให้ทรงเป็นอุปชาทรงบวช ด, ด้วยวิธีเอหิพิกขุสัมปทาคือเพียงแต่ทรงกล่าวด้วยวาจา ว, ว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดสมัยก่อนสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการบวชจึงเป็น การบวชที่ง่ายมากไม่มีขั้นตอนที่จะต้องสวดเหมือนสมัยนี้ทรงเพยงเปล่งวาจาว่าเอหิพิกุจงมาเป็นภิกษุเถิดก็ถือว่าได้บวชเป็นพระแล้วคือผู้ที่จะบวชก็โกนศีษะแล้วก็นำผ้าเหลืองมาถวายต่อพระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธเจ้าก็จะทรงตรัสว่าออต่อไปนี้เป็นพระเภกศุลกาณะนะเท่านี้การบวชก็เป็นที่เรียบร้อยแต่ต่อมาเนื่องจากมีผู้ที่ต้องการจะบวชกันเป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทำพิธีบวชได้จึงมอบหมายให้แก่พระสงฆ์ทำกันจึงมีการสวดตั้งยติ มีการสอบถามข้อมูลต่างๆก่อนถึงจะบวชเป็นพระได้นี่คือคือการบวชในสมัยนี้กับการบวชในสมัยของพพระพุทธเจ้ามีความแตกต่างกั น, กนอย่างที่ได้แสดงให้ฟังความสำคัญของวันมาคาบบูชามีอยู่สองประการด้วยกันคือ ประการที่หนึ่งก็คือพระอารหันต์ทั้งหนึ่งรหรูปนี้เป็นเหมือนเป็นผู้รับรองความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระศาสดาเพราะพระอารหันต์ทั้งทั้งหนึ่งสองรรูปนี้ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและ เป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้ก็ได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นแล้วจะไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นเป็นพระอาหารหันตได้อย่างเช่นเดียวกันกับพระองค์ mm. นี่ก็เป็นการรับรองหรือเป็นการยืนยันความจริงของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัสรุพระอนุตตรสัมมาสามัมโพธิญาณ และเป็นผู้บรรลุเป็นพระอรหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นความสอนที่ตรงกับหลักความจริงที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ฟังเพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติและบรรลุเป็นพาาระอรหันตได้พระอาริยสงฆ์พระอรหันตสาวก1250รรูปนี้ เป็นสักขีพยานแล้วว่าพระพุทธมีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงสาวกมีจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่ <c oughs> อนุโอปโล ก, กันขึ้นมาสมมติกันขึ้นมาเหมือนพวกเราที่สมมติชื่อต่างๆกันขึ้นมาสมมติชื่อว่าเป็นชื่อในดีชื่อในบุญแต่ตัวนี้ไม่ได้ดีไม่ได้มีบุญตามที่สมมติกัน ชื่อของพวกเรามักจะไม่ตรงกับความจริงของพวกเราเรามักจะตั้งชื่อดีๆให้กับตัวเราแต่ตัวเรามันไม่ได้ดีตามชื่อที่เราตั้งกันไว้ส่วนใหญ่ตัวเรายังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่แต่พระพุทธเจ้านี้ทั้งชื่อและตัวของพระพุทธเจ้าเองนี้ดีตามตามชื่อเช่นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้สิ้นกิเลส ด้วยพระ อ, องค์เองเนี่ยคำว่าสิ้นกิเลสก็หมายถึงว่าไม่มีความโลภความโกรธความลหลงเหลืออยู่ในพระทยของพระ อ, องค์ไม่มีภพชาไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหลืออยู่ภายในจิตของพระ อ, องค์นี่คือความจริงจริงทั้งชื่อและจริงทั้งตัวนี่เป็นการเป็นการรับรองหรือก็เป็นการยืนยันว่าพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริง ถ้าเปรียบกับสมัยนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับเป็นหมอรักษาโรคส่วนพระธรรมคำสอนก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคส่วนพระ อ, อริยสงสารโรค ก, ก็เปรียบเหมือนคนไข้ที่หายจากโรคภัยด้วยการรับประทานยาคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี่ก็เป็นการเปรียบเทียบให้ฟัง พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอที่สามารถรักษาโรคที่ไม่มีใครรักษาให้หายได้แล้วยาของพระพุทธเจ้าก็เป็นยาที่วิเศษที่สามารถรักษาโรคให้หายได้โดยเด็ดขาดและผู้ที่รับการรักษาก็ได้รับการรักษาจนหายจากโรคได้อย่างเด็ดขาดก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายนี่เองนี่คือพระรัตนตรัย ที่พวกเราทั้งหลายได้มีศรัทธามีความเชื่อยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราเพราะพวกเรายังเป็นเหมือนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยยังมีโรคภัยเบียดเบียนโรคของพวกเราก็คือความทุกข์ใจนี่เองความไม่สบายใจความกวนกวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับความเศร้าโศกเสียใจ ความหวาด ก, กลัวสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคใจศาสนาพวกนี้ไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาเรื่องโรคของทางร่างกายโรคของทางร่างกายนี้ไม่สำคัญเท่ากับโรคของทางจิตใจเพราะเวลาจิตใจนี้ไม่สบายนี้ถึงแม่ร่างกายจะไม่เป็นอะไรแต่ก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตใจไม่มีทุก ไม่มีความวุ่นวายใจถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็จะไม่กระทบกระเทือนกับความสงบความสุขของใจดังนั้นการดูแลรักษาใจให้ไม่มีความทุกขมาเบียดเบียนมาเหยียบยำ่ำจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายเพราะการรักษาร่างกายนี้ เราก็รักษาได้ตามขอบเขตความสามารถของยาและของหมอถ้าโรคภัยนั้นมันเหนือความสามารถของหมอของยาก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้และไม่สามารถที่จะยับยัง้งไม่ให้ร่างกายตายไปได้ต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนหมอเก่งขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถรักษา ให้เราอยู่ไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถรักษาได้และจะต้องตายไปใไนที่สุดดังนั้นการดูแลรักษาร่างกายต่อให้ดูแลรักษาให้ได้ดีขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะไปน ง, งับยับยัง้ง การตายของร่างกายได้ดังนั้นจึงไม่จําเป็นที่เราจะต้องมากังวลกับการรักษาร่างกายมากจนเกินไปถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องตรงต้องยอมรับความจริงเพราะถ้าเราตรงได้ใจของเราจะสงบใจของเราจะไม่มีความทุกข์การตรงนี่แหละเป็นการรักษาใจของเรา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 ใจจึงไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องไปเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บของความตายของร่างกายเพราะเดือดร้อนก็ไม่ได้ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าไม่เดือดร้อนใจก็จะสงบเป็นสวรรค์เป็นนิพพานไปถ้าใจวุ่นวายใจทุกข์ใจก็จะเป็นอบายไปจะต้องไป ตกนรกจะต้องไปเกิดในอบายถ้ามีความทุกข์ความรุ่มร้อนใจไม่สามารถปรองสังขารได้ไม่สามารถปรอ ง, ง, งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราปรงกันด้วยการสอนตัวเราอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใคร หนีจากมันได้มีใจที่หลีกเลี่ยงได้หนีจากมันได้ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นใจไม่ต้องไปยึดไปติดกับร่างกายความยึดติดนี้ทำให้ใจทุกข์ทรมานถ้าใจปล่อยได้ใจจะไม่ทุกข์ทรมานใจจะสงบและเมื่อตายไปก็จะได้ไปสู่สวรรค์หรือไปสู่พระนิพพาน ขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการปล่อยวางของใจว่าปล่อยวางได้มากน้อยเพียงไรถ้าปล่อยวางได้ทั้งหมดก็จะไปถึงพระนิพพานถ้าปล่อยวางบางส่วนก็จะไปสวรรค์ก่อนนี่คือความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้ท่านเป็นเยี่ยงอย่างของพวกเราเป็นตัวอย่างของพวกเราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรา ท่านก็เคยมีความทุกข์เคยมีความวุ่นวายใจเหมือนพวกเราท่านก็เคยเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยในภพใหญ่เหมือนพวกเราแต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วมีแต่พวกเราที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าพวกเรายังไม่สามารถปรองได้ยังไม่สามารถตัดการทําบาปทั้งหลายได้ ยังไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมได้หน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ตรงที่คําสอนของพอระพุทธเจ้าที่สงสอนให้แก่สัตว์โลกอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. ให้ทําให้ละการกระทําบาปทั้งปวง 2. ให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้ทํา จิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือหน้าที่ของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะรักษาโรคคือความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปถ้าพวกเราต้องการที่จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราต้องปฏิบัติความสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทั้งสาข้อนี้คือหนึ่งไม่ให้ทําบาปทั้งปวง บาป ก, ก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปกและการเสพสุรายามานี่เป็นการกระทมที่จะสร้างความทุกข์สร้างอบายให้แก่พวกเราถ้าเรายังทำบาปอยู่เรายังต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง เพราะเราได้สร้างเหตุไว้นั่นเองเมื่อเราได้สร้างเหตุไว้แล้วผลก็ต้องตามมาเหมือนกับเวลาที่เราปลูกต้นไม้ไว้ถ้าเราปลูกต้นมะม่วงเราก็จะได้รับผลมะม่วงถ้าเราปลูกต้นกล้วยเราก็จะได้ผลกล้วยเป็นเป็นสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับการทําบาปถ้าเราทําบาปเราก็จะต้องไปเกิด ในอบายต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามไม่เป็ น, ป, น, นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะทําบาปหรือไม่ทําบาปถ้าเราทําบาปแล้วเราต้องใช้ใช้เวรใช้กรรมอย่างแน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้พวกเราทําบาปกัน พราะไม่มีใครอยากจะไปตกนรกไม่มีใครอยากจะไปเกิดเป็นเดราาัจฉานไม่มีใครอยากจะเป็นเปรตกันเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามรักษาศีลให้ได้เพราะศีล น, นี้จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราทําบาปอย่างที่เราได้สมาทานศีลห้าเมื่อสักครู่นี้เป็นการตั้งใจ ว่าวันนี้จะไม่ทำบาปทั้งห้าประการถ้าเรารักษาได้เราก็จะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปเกิดในอบายได้นี่คือคำสอนข้อที่1ส่วนคำสอนข้อที่สองก็คือให้พวกเราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายบุญกุศลก็มีหลายอย่าง เช่นวันนี้เรามาทำบุญให้ทายอย่างนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการมีความอดทนเช่นที่ต้องรอให้การถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยทำพิธีการต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยเรามีความอดทนใจเราไม่ว้าวุ่นขุ่นมัว อย่างนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งการมีความกระตันยูกระตวเวทีมีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณ mm. เช่นบิดามารดาปูา่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำความดีเป็นการสร้างกุศล นี่คือสิ่งที่เราควรจะทำกันอยู่เรื่อยๆตามใดที่เรามีลมหายใจเข้าห อ, อกแล้วบุญนี้จะส่งให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์ให้เราจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าเราชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ได้ ใจของเราก็จะไปถึงพระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปจะอยู่ในพระนิพพานที่เป็นเหมือนสวรรค์ชั้นสูงสุดที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์แต่น้อยนิดและเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีการสิ้นสุด เราจึงต้องพยายามชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจของเราด้วยการทําจิตใจให้สงบที่เรียกว่าการทําสมาธิการทําสมาธินี้ก็มีวิธีทําได้หลายรูปแบบด้วยกันแบบที่ง่ายที่สุดแบบเริ่มต้นก็คือการสวดมนต์สวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องอะไร ให้อยู่การสวดมนต์แล้วใจจะค่อยสมบลงไปเมื่อสวดไปแล้วรู้สึกว่าใจสบายอยากจะหยุดสวดก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปดูแต่ลมอย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่สามารถบังคับไม่ให้มันหยุดคิดได้ก็ให้ และลึกถึงคำพุโทโธพุธโทโธไปให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องดูลมก็ได้ให้อยู่กับคำพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธได้ไม่นานใจก็จะรวมลวมเข้าสู่ความสงบเหมือนกับตกหลุมตกบอ่อแล้วก็นิ่งไปแล้วการบริกรรมพุโทโธก็จะหยุดไปเอง ตอนนั้นใจของเราก็จะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขมีความเบา อ, อกเบาใจไม่มีเรื่องราวต่างๆมารบกวนจิตใจอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสมาธิเราจะเห็นว่าความสมุบสุขนี่แลเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นมาให้กับมาให้กับทำความสุขให้กับเรา ไม่เหมือนกับความสุขที่เราเคยมีเราต้องอาศัยเงินทองเช่นเราอยากจะมีความสุขกับการดื่มกับการรับประทานเราก็ต้องมีเงินไปซื้อสิ่งต่างๆมาดื่มมารับประทานถ้าเราอยากจะมีความสุขกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องมีเงินมีทองมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถไปได้ แต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้เราไม่มีเงินเราก็มีความสุขได้ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายก็ยังมีความสุขได้เพราะเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้นั่นเองดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการทำใจของเราให้สงบส่วนเวลาที่ใจของเราไม่อยู่ในสมาธิไม่อยู่ในความสงบ ใจของเราไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็มาคิดมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาดับเราต้องสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราไปยุ่งไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราและมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันมีแต่จะให้ความทุกข์กับเรา ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ป่งได้เช่นเราห่วงเรากังวลกับใครหรือห่วงอะไรอย่างนี้เราก็จะสอนตัวเราว่าอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงเพราะอะไรจะเกิดเราก็ไปยับยั้งไม่ได้เขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปยึดไปติดกับเขาเราก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะห่วงจะทุกอย่างแสนสาหาัส ถ้าเราไม่อยากจะทุกขเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องตัดเขาไปเขาจะอยู่ก็ได้เขาจะไปก็ได้เรามีความสุขของเราเองดีกว่ามีความสุขกับการทำใจของเราให้สงบถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้เราจะไม่ค่อยอยากจะยึดติดกับอะไรเพราะเราจะเห็นโทษของการยึดติดกับสิ่งต่างๆว่ามีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความความกังวลใจ เมื่อเราสามารถปรงได้ต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ความความลุนใจกับใครใครจะเป็นอะไรจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความเมตตาหรือมีความห่วงใยถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้เราก็ยินดีจะช่วยเหลือเช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยินดีที่จะรักษาให้กับเขาหายา ม, มาให้ พาไปหาหมอแต่ถ้าเขาไม่หายหรือเขาจะต้องตายไปเราก็จะต้องไม่วุ่นวายใจเราเพราะเราไม่ยึดไม่ติดนั่นเองเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายจากเราไปหรือไม่เะนั้นเราก็ต้องตายจากเขาไปเราต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยเรเรียกว่าเป็นปัญญาอย่าไปกลัวเรื่องความคิดว่าเราคิดถึงความตายแล้วเราจะตายไป การคิดถึงเรื่องความตายนี้ไม่ได้เป็นการสาบแช่งให้เราตายแต่เป็นการสอนให้เรามีปัญญาสอนให้เราปลงสอนให้เราไม่ยึดไม่ติดสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังพยายามควรคิดอยู่เรื่อยเพราะพระเจ้ทาทรงสอนให้เราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยเพราะเมื่อคิดแล้วมันจะปลงได้มันจะปล่อยวางได้ มันจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งหลายนี่ก็คือบุญนันสูงสุดที่เราสามารถสร้างให้กับเราได้ก็คือการเจริญปัญญาการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างสมบพเสมอถ้าคิดได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไปตลอด พร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อและจะตายอย่างสบายตายอย่างสุขไม่ได้ตายด้วยความหวาดกลัวไม่ได้ตายด้วยความทุกข์ทรมานใจนี่คือผลอที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นประโยชน์กับเราอย่างยิ่งทั้งสส่วนคือการไม่ทำบาปการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ต่างที่มาตรัสรู้แล้วมาสอนพระธรรมแก่สารโลกก็จะสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์ดังนั้นเราไม่ต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาสอนเราเพราะท่านก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์นี้ตอนนี้เรามีคำสอนอยู่ เรามียารักษาโรคใจของเราเราควรที่จะรีบนำเอายานี้เข้ามารักษาใจอย่าไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมารักษาให้กับเราเพราะกว่าจะมาเราต้องตกนรกต้องเวียนวายตายเกิดอีกไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติจึงอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าของภพนิชานี้ให้ผ่านไปเรามียาแล้ว รีบเอายานี้มารับประทานมารักษาใจของเราเถิดแล้วเราจะได้บมดทุกบทการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไปพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ะพระอรหันตสาวกทั้งหลายภายในชาตินี้ได้เลยนี่คือความสําคัญของวันมาคะบูชาที่พวกเราทั้งหลายได้มากระทําการบูชากันก็ขอให้พวกเราบูชาด้วยการปฏิบัติ ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีการไม่มีความปรารถนาอะไรยิ่งกว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ของพวกเราพระพุทธเจ้าต้องการเพียงเท่านี้ท่านไม่ต้องการอะไรจากเราเลยท่านต้องการให้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติเท่านั้นจึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติความ คำสอนทั้งสามประการคือการไม่ทำบาป ก, การทำความดีและการชำระจิตใจแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสิริมงคลจะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย แก่บุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญมีความแค็งแกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัาเธอ